อะไรไปเกิดมาเกิดเมื่อยอมรับหรือสมมติว่าเพราะยอมรับตามหลักพุทธศาสนาว่าตายแล้วเกิดคือเฉพาะผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ปัญหาว่าอะไรไปเกิดมาเกิดตอบว่าวิญญาณที่ยังมีกิเลสนั่นแหละไปเกิดมาเกิดท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ ต, ตามอำนาจแห่งกิเลสและกรรมของตนของตน จะไปเกิดในที่ใดอย่างไรก็สุดแล้วแต่แรงกรรมและความสูงต่ำของวิญญาณวิญญาณย่อมรู้ที่ที่เหมาะสมแก่ตนถามว่าจะเลือกที่เกิดได้หรือไม่ปัญหานี้ตอบว่าเลือกได้บ้างเลือกไม่ได้บ้างวิญญาณชั้นต่ำเลือกเกิดไม่ได้สุดแล้วแต่แรงกรรมอย่างเดียวส่วนวิญญาณชั้นสูงมีบุญกุศลมากมีบารมีมาก สามารถเลือกเกิดได้ตามเจตจำนงของตนเพราะไม่มีสิ่งใดบังคับเวลาจะเกิดยังต้องมีคนเชื่อเชิญให้มาเกิดเสอีกจะไม่มาก็ได้วิญญาณที่อยู่ในฐานะเช่นนั้นย่อมเลือกเกิดได้กรรมมีอำนาจพิเศษในการสํารวจอดีตของวิญญาณทุกดวงแล้วกาหนดหมายให้ใครไปเกิดที่ใดอย่างเหมาะสมที่สุดกับกรรมในอดีตของเขา เพื่อให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆตามสมควรไม่มีสิ่งใดยุ่งยากสับสนเท่ากับสายใหญ่แห่งชะตาชีวิตมนุษย์มนุษย์จะเลือกที่เกิดได้ก็ต่อเมื่อวิญญาณของเขาได้รับการพัฒนาจนจะสมบูรณ์อยู่แล้ว 2. ข้อพิสูจน์ว่าคนตายแล้วเกิดปัญหาที่เรามักได้ฟังเสมอก็คือมีข้อพิสูจน์อะไรบ้างหรือไม่ ว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดหรือตายแล้วต้องเกิดอีกเมื่อยังมีกิเลสอยู่คำตอบก็คือมีข้อพิสูจน์หลายประการเช่น 1. เด็กในครอบครัวเดียวกันเกิดจากพ่อแม่เดียวกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวกันแต่มีความโน้มเอียงต่างกันแม่เด็กฝาแฝดก็ยังแตกต่างกันในอุปนิสัยแสดงว่าร่องรอยในอดีตของเขาไม่เหมือนกัน บางคนอาจมีความโน้มเอียงทางดนตรีบางคนทางศิลปะบางคนทางวิทยาศาสตร์และบางคนทางศาสนาปรัชญาแสดงถึงความผูกใจรักในสิ่งนั่นๆของเขาในอดีตมีโซ่สัมพันธ์มาถึงปัจจุบัน 2. ส, สืบเนื่องมาจากข้อความที่กล่าวแล้วในข้อหนึ่งนั่นเองเมื่อเราเอาคนสองคนมาให้พิจารณาความจริงใหม่ๆอย่างหนึ่ง ก็อาจเข้าใจได้ทันทีแต่ขอไม่เข้าใจเอาเลยพอเปลี่ยนความจริงอีกอย่างหนึ่งมาขออาจเข้าใจได้ทันทีแต่ก็ไม่เข้าใจเลยทั้งที่ระดับสติปัญญาของคนทั้งสองนั้นเท่าเทียมกันคนที่เข้าใจได้ทันทีก็เพราะคุ้นเคยกับความจริงอันนั้นมาก่อนตัวอย่างเช่นเอาความจริงทางคณิตศาสตร์มาก่อน กอเข้าใจได้เร็วแต่ขอเข้าใจได้ช้ามากพอเปลี่ยนเอาความจริงอย่างใหม่คือเอาความจริงทางปรัชญามาให้พิจารณาขอเข้าใจได้เร็วมากแต่ก็ไม่เข้าใจเลยแสดงว่ากอมีร่องรอยในอดีตทางคณิตศาสตร์ส่วนขอมีทางปรัชญาคนสมัยใหม่เรียกว่ามีความถนัดหรือมีหัวในทางนั้นๆ ความถนัดนั่นเองคือร่องรอยแห่งกรรมในอดีตชาติของเขาประวัติแห่งบุคคลสําคัญของโลกพิสูจน์ว่าคนสําคัญในทางใดมักมีท่าทีในทางนั้นมาตั้งแต่วัยต้นทีเดียวความโน้มเอียงและความสามารถโดยกําเนิดของบุคคลดังกล่าวมาย่อมแสดงถึงความสนใจและงานในอดีตของเขาดังนั้น ความสามารถต่างๆของบุคคลจึงไม่สูญหายหลังจากตายแล้วความสามารถนั้นติดไปกับดวงวิญญาณของเขานั่นเอง 3. อุปนิสัยชั่วหรือดีโดยกําเนิดหรือโดยสันดานของเด็กอีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องน่าพิจารณาเด็กบางคนมีพ่อแม่ดีแต่ตัวเด็กเองดีไม่ได้บางคนมีพ่อแม่เลวแต่ตัวเด็กเองแสดงอุปนิสัยอันดีเลิศออกมา เด็กที่พ่อแม่ดีแต่ตัวเองดีไม่ได้นั้นไม่ใช่พ่อแม่ไม่อบรมสั่งสอนหรือปล่อยปละละเลยแต่ประการใดความจริงพ่อแม่สั่งสอนอบรมให้การศึกษาเหมือนกับลูกคนอื่นๆแต่สันดานชั่วอันติดมาจากชาติก่อนของเด็กหนามากจนไม่อาจขัดเกลาให้เปลี่ยนแปลงไปในทางดีได้ในชาติเดียวส่วนเด็กที่พ่อแม่เลวแต่ตัวเด็กเองดีมากนั้น เพราะอุนิสัยสันดานดีอันสืบเนื่องมาจากชาติก่อนของเขาแน่นหนามั่นคงมากอิทธิพลแห่งสิ่งแวดล้อมที่เลวจึงไม่อาจครอบงามวิถีชีวิตของเขาได้ไม่อาจเปลี่ยนแปลงทิศทางชีวิตของเขาให้เป็นไปทางอื่นนอกจากทางที่เขาเคยดําเนินติดต่อกันมาเป็นเวลานา น, านได้พื้นเพทางใจของเขาเหมือนพื้นคอนกรีตไม่พังทลายไปเพราะน้ําฝน ไม่เหมือนพื้นเพทางใจของคนบางคนที่เหมือนก้อนดินพอถูกน้ำเข้าก็ละลายกรรมดีกรรมชั่วบางอย่างอาจส่งให้เขามาเกิดผิดที่หมายแต่จุดมุ่งหมายเดิมแห่งชีวิตเขายังคงเกาะแน่นเป็นคุณสมบัติทางจิตอยู่ดังเดิมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นสิ่งแวดล้อมชี้ชวนให้หมกมุ่นรุ่มหลงอยู่ในโลกียสุข ประกอบทั้งได้รับการสนับสนุนจากพระญาติทุกฝ่ายให้เป็นเช่นนั้นแต่พระอุปนิสัยของพระองค์ไม่เป็นไปทางนั้นทรงสั่งสมพระบารมีมาสั่งสมพระอุปนิสัยมาทางความหน่ายในการมาสุขหรือโลกีสุขสิ่งย่อวโยวนต่างๆจึงไม่อาจรังพระองค์ไว้ได้พระองค์จึงต้องดําเนินชีวิตตามทางที่พระองค์ทรงมุ่งหมายมาเป็นเวลานา น, าน นั่นคือทางแห่งการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 4. เด็กอริยะเป็นการแสดงถึงร่องรอยแห่งความทรงจำในอดีตที่เห็นได้ชัดที่สุดความอาริยะของเขาเด่นออกมาโดยที่หลักแห่งพันธุ ก, กรรมไม่สามารถอธิบายได้เด็กบางคนอริยะทางคํานวณบางคนทางดนตรีบางคนทางศิลปะอื่น โดยที่บรรพบรุษไม่เคยมีอาชีพทางนั้นมาเลยอายุของเขาเพียงเจ็ดขวบสิบขวบแต่มีความสามารถทางดนตรีคณิตศาสตร์หรือศิลปะเทียบเท่าผู้อายุสูงที่มีความชำนาญในทางนั้นๆโดยเฉพาะอันนี้แสดงว่าความชำนาญอันเขาสั่งสมไวในอดีตไม่ได้สาบสูญไปเลยคงประจำเป็นกุณสบัติติดตัวเขาอยู่ตลอดเวลา ปัญหาว่าถ้าอย่างนั้นคนที่เคยศึกษาเล่าเรียนมากมากเมื่อเกิดใหม่เหตุชะไหนจึงต้องเรียนกันใหม่ต้องฝึกฝนกันใหม่ปัญหานี้ขอตอบว่าที่เป็นดังนั้นเพราะอวัยวะส่วนประกอบทางกายยังไม่อำนวยให้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ของเขาแสดงออกมาได้คือความพร้อมทางกายอันเป็นส่วนประกอบสาคัญเหมือนกันยังมีไม่พอ ตัวอย่างเช่นนักดนตรีที่มีความสามารถสูงมากแต่เครื่องดนตรีไม่พร้อมเขาก็ไม่อาจเล่นดนตรีให้ไพเราะตามความสามารถที่เขามีได้แแม่ทัพที่มีความสามารถในการรบอย่างสูงแต่เมื่อนําเข้าไปขังไว้ในห้องแคบๆเขาจะแสดงความสามารถในการรบได้อย่างไรมะม่วงต้นหนึ่งซึ่งเคยใหญ่โตมีกิ่งก้านสาขามากมาย มีผลเป็นพันๆผลผลเหล่านั้นสูกงอมหอมหวานแต่พอผลมะม่วงนั้นถูกนำไปเพาะใหม่มันต้องเริ่มตั้งหน่อใหม่เป็นต้นเล็กๆใหม่ทำไมเมื่อปลูกมันจึงไม่โตเลยทั้งทั้งที่มันเคยเป็นต้นโตมาหลายครั้งแล้วแต่โปรดอย่าลืมว่าคุณสมบัติภายในของมันคือความหวานหรือความมันยังคงติดอยู่ มันจะหวานและมันตามพันของมันนั่นคือคุณสมบัติที่มันสะสมไว้เป็นเวลายืดยาวนานมันจะเปลี่ยนแปลงไปก็ต่อเมื่อมีกรรมวิธีใหม่มาทำลายคุณสมบัติเดิมของมันแล้วสร้างคุณสมบัติใหม่ขึ้นในเรื่องของคนก็ทำนองเดียวกันนี้อันหนึ่งมีผู้สงสัยกันมากเหมือนกันว่าวิญญาณที่ออกจากร่างมนุษย์แล้ว ทำไมจึงมีอนุภาพพิเศษกว่าสมัยเมื่ อ, อยังอยู่ในร่างกายเนื้อของมนุษย์สามารถทำอะไรๆ ไ, ได้อย่างอัศจรรย์ซึ่งในสมัยที่เป็นมนุษย์อยู่ไม่สามารถทำได้ปัญหานี้ตอบว่าความจริงวิญญาณหรือกายที่มีความสามารถพิเศษอยู่แล้วแต่กายเนื้อเป็นอุปสรรคให้วิญญาณแสดงความสามารถเช่นนั้นออกมาไม่ได้ตัวอย่างเช่น เราออกจากที่ทำงานจะกลับบ้านวิญญาณถึงบ้านนานแล้วตั้งแต่พอคิดว่าจะกลับบ้านแต่กายเนื้อต้องขึ้นรถลงเรือต้องเดินทางอย่างลำบากเรียกว่ากายเนื้ออันหนักอึ้งนี้จำกัดความสามารถของวิญญาณหรือกายทิพย์ไว้พอออกจากกายเนื้อได้วิญญาณก็แสดงความสามารถของมันเต็มที่ไม่มีอุปสรรคพอเราคิดถึงใครจะไปหาเขา วิญญาณของเราก็ไปถึงแล้วทันทีวิญญาณต้องกลับไปกลับมาอยู่เป็นสิบเที่ยวหรือร้อยเที่ยวก็ได้ก่อนที่กายเนื้อจะอุ้ยอ้ายไปถึงหหญิงที่มีลักษณะชายหรือชายที่มีลักษณะหญิงนั้นแสดงถึงความเคยชินแนอดีตคือมีอุปนิสัยและลักษณะของเพศเดิมติดมาด้วยตามหลักฐานทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าคนที่เคยท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรนั้นเคยเกิดเป็นชายบ้างหญิงบ้างมาแล้วอย่างนับไม่ถ้วนบางชาติเป็นหญิงบางชาติเป็นชายความสัมพันธ์ของวิญญาณหรือของบุคคลที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตด้วยกันนั้นมีอยู่แทบทุกแบบคือเคยเป็นสามีภันยากันบ้างเคยเป็นมารดาบิดาบุตรธิดากันบ้าง เคยเป็นมิตรเป็นศัตรูกันบ้างสายใยแห่งชีวิตมนุษย์จึงดูยุ่งเหยงิงยากที่จะสางได้คนที่เคยรักกันยังดูดดิมก็จะถูกชักนำให้มาพบกันชาติแล้วชาติเล่าในลักษณะต่างๆเช่นเป็นพ่อแม่พี่น้องคนรักทางนี้เพื่อให้ความรักขึ้นสู่ขั้นสมบูรณ์ในทุกๆด้านอนหนึ่ง ที่ต้องเกิดเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างก็เพื่อหาประสบการณ์ให้แก่วิญญาณอุปนิสัยของเราจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อได้เป็นเพศต่างๆมาแล้วสลับกันเมื่อใดเราบรรลุ ถ, ถึงขั้นสูงสุดแห่งวิวัฒนาการของมนุษย์เมื่อนั้นอุปนิสัยของเราจะเป็นแบบสมบูรณ์คือมีพร้อมทั้งลักษณะหญิงและชายถ้าสังเกตจะเห็นว่า คนที่ทำประโยชน์แก่โลกมากๆานั้นล้วนมีลักษณะทั้งสองอย่างคือทั้งลักษณะหญิงและชายผสมกลมกลืนกันอยู่ในคนคนเดียวกันเช่นความอ่อนโยนซึ่งเป็นลักษณะของหญิงความเข้มแข็งเด็ดเดีดเด่ยวคือลักษณะชายความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นคือลักษณะหญิงความยุติธรรมคือลักษณะชายการต้องมีอะไรทาอยู่เสมอคือลักษณะหญิง การทำจริงทำอย่างทุ่มเททนทานคือลักษณะชายดังนี้เป็นต้นลักษณะเหล่านี้เมื่อแยกกันอยู่ก็จะไม่ให้ประโยชน์มากนักแต่เมื่อรวมกันอยู่ในคนคนเดียวก็จะได้ส่วนที่พอดีไม่หย่อนเกินไม่ตึงเกินทำให้สำเร็จประโยชน์ยิ่งใหญ่ได้ยกตัวอย่างเช่นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพียงอย่างเดียว มักทำอะไรลงไปโดยเสียความยุติธรรมเพราะความเห็นอกเห็นใจจูงให้กระทำส่วนคนที่ยึดมั่นแต่ความยุติธรรมอย่างเดียวไม่แลเหลียวถึงสภาพแวดล้อมบ้างเลยก็จะขาดความเห็นอกเห็นใจกลายเป็นคนแข็งกร้าวเกินไปมุ่งรักษาแต่หลักการโดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นส่วนบุคคลบ้างเลย แต่เมื่อคุณธรรมทั้งสองประการมารวมกันในคนคนเดียวคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้มีอุปนิสัยอันดีเลิศคือมีความยุติธรรมโดยไม่ขาดความเห็นโอกเห็นใจหรือมีความเห็นอกเห็นใจโดยไม่ให้เสียความยุติธรรมคนที่มีอุปนิสัยดีเลิศจึงต้องมีทั้งลักษณะชายและลักษณะหญิงรวมกัน การจะเป็นอย่างนั้นได้ก็โดยที่เขาต้องเคยเกิดเป็นชายเพื่อบ่มลักษณะชายและเคยเกิดเป็นหญิงเพื่อบ่มลักษณะหญิงหรือเพื่อหาประสบการณ์ในเพศนั้นๆแล้วกำจัดส่วนเสียออกรักษาและเพิ่มพูนส่วนที่ดีไว้หกความหวาดกลัวที่อธิบายไม่ได้เช่นบางคนกลัวน้ำทะเล โดยที่ในชีวิตของเขาในชาติปัจจุบันไม่เคยเกี่ยวข้องกับน้ำทะเลมาเลยแสดงถึงความทรงจำในอดีต ท, ที่เขาเคยประสบมาในชาติก่อนเขาอาจเคยตายหรือได้รับความลำบากเพราะน้ำทะเลความหวาดกลัวในครั้งนั้นยังคงสถิตยอยู่ในดวงวิญญาณของเขา 7. มิตรภาพหรือความรักที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วน โดยไม่มีสาเหตุอะไรในปัจจุบันแสดงถึงความรักในอดีตซึ่งครอบงำดวงวิญญาณของเขาอยู่เขาเคยรักกันมาในชาติก่อนๆในกรณีของความเกลียดชังที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนก็ทมนองเดียวกันแสดงถึงความเป็นศัตรูกันมา 8. ความรู้สึกว่าตนเคยรู้จักที่น้นๆบุคคลนั้นๆมาก่อน ทั้งๆ ท, ที่เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตแสดงถึงประสบการณ์ในชาติก่อนของเขาเรื่องนี้เกิดขึ้นแก่คนแทบทุกคน 9. นักจีวิทยาสมัยปัจจุบันบางท่านสามารถสะกดจิตให้คนระลึกถึงเรื่องเก่าๆที่ลืมไปแล้วถึงสิองปีได้บางท่านทดลองสะกดจิตหญิงคนหนึ่งให้ระลึกถอยหลังไปได้ถึงสชาติ10บ เรื่องคนระลึกชาติได้ซึ่งมีอยู่มากเหมือนกันและมีอยู่ทุกทวีปของโลกแสดงว่าชาติก่อนมีอยู่จริงการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องจริงสิบเอ็พระพุทธเจ้าทรงได้พระญาณอย่างหนึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณแปลว่าพระญาณที่สามารถระลึกถึงเหตุการณ์ในชาติก่อนได้ พระองค์ได้ายานนี้โดยการบำเพ็ญเพียรทางจิตทำพระมนตให้บริสุทธิ์พระองค์ตรัสว่าใครก็ตามที่ดำเนินตามทางนี้ก็จะสามารถได้รับผลเช่นเดียวกับพระองค์แสดงว่าไม่ใช่เป็นเรื่องลอยๆแต่คนทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง 12. ในพระไตรปิฎกและคำภีทางพระพุทธศาสนา มีเรื่องอยู่มากมายอันแสดงถึงการเวียนว่ายตายเกิดนรกสวรรค์เทวดาและโลกของโอปปติกะดังนี้เป็นต้น